พระตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่13ประสูตรที่ย0สกีตาคิริสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิคมชื่อกีตาคิริพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายเรื่องการเว้นบริโภคอาหารในเวลากลางคืนว่าทำให้มีอาพาธน้อย มีโรคน้อยเบาสบายมีกำลังอยู่เป็นภาสุขเมื่อเสด็จไปโดยลำดับก็เสด็จแวะพักณนะนิคมชื่อกีตาคิริภุกษุพวกพระอัสสชิและพระปุณณพสัสสกะเป็นพิกษุเจ้าถิ่นอยู่ในกีตาคิรินิคมกลับพูดในทางตรงกันข้ามคือกล่าวว่าพวกตนฉันอาหารในเวลาเย็นเวลาเช้าเวลาวิการกลางวัน ก็รู้สึกว่ามีอ า, าพาธน้อยมีโรคน้อยเป็นต้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบตรัสสั่งให้เรียกภิกษุพวกนั้นมาเฝ้าตรัสถามได้ความตามจริงแล้วจึงตรัสถามว่าพวกเธอรู้หรือไม่ถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วว่าอากุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สวยสุขหรือทุกข์ หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างไรกันกราบทูลว่าไม่รู้ตรัสถามต่อไปอีกว่ารู้หรือไม่ว่าอากุศลธรรมและกุศลธรรมเจริญหรือเสื่อมแก่บุคคลผู้สวยเวทนาอะไรทีละข้อก็กราบทูลตอบว่าไม่รู้จึงตรัสอธิบายโดยพิสดารทีละข้อโดยใจความว่าทรงทราบแล้วถึงเรื่องเหล่านี้ จึงทรงแนะให้เข้าถึงสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอาทุกขมสุขเวทนาบ้างตามความเหมาะสมทรงชี้แจงต่อไปว่าไม่ตรัสสอนให้ภิกษุทุกรูปกระทําการด้วยความไม่ประมาทแต่ก็ไม่ตรัสสอนให้ภิกษุทุกรูปกระทําการด้วยความประมาทภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะทําหน้าที่เสร็จแล้ว เราย่อมสอนภิกษุเหล่านั้นให้ทําการด้วยความไม่ประมาทก็หาไม่เพราะเธอทําการด้วยความไม่ประมาทอยู่แล้วเธอเป็นผู้ไม่ควรที่จะประมาทส่วนภิกษุเหล่าใดยังต้องศึกษายังไม่บรรลุอรหัตตผลเราย่อมสอนภิกษุเหล่านั้นให้ทําการด้วยความไม่ประมาทเพราะคิดว่าเธอเหล่านั้นเสพเสนาณะอันสมควร คบกัลยาณมิตรแล้วก็อาจทำให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ในปัจจุบันเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านี้จึงสอนให้ทำการด้วยความไม่ประมาทตรัสอธิบายถึงบุคคลผู้ได้บรรลุคุณธรรมเจ็ดประเภทพร้อมทั้งแจกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. อุพโตภาควิมุตผู้ผลโดยส่วนทั้งสอง อธิกถาอธิบายว่าผลจากรูปกายด้วยอรูปสมาบัติผลจากนามกายด้วยมรรคได้แก่ผู้ถูกต้องวิโมกอันสงบระ ง, งับด้วยกายคือนามกายสิ้นอาสวะเพราะเห็นด้วยปัญญาสำหรับข้อนี้ได้แก่พระอรหันต์ห้าประเภทคือสี่ประเภทที่ออกจากอารูปสมาบัติสแต่ละข้อแล้วพิจารณาสังขาร บรรลุอรหัตผลกับพระอนาคามีที่บรรลุอรหัตผลจึงรวมเป็นห้าประเภท 2. ปัญญาวิมุตตผู้พ้นด้วยปัญญาได้แก่ผู้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันสงบระ ง, งับด้วยนามกายสิ้นอาสวะเพราะเห็นด้วยปัญญาข้อนี้ได้แก่พระอรหันต์ห้าประเภทคือ สุขวิปัสสกะหนึ่งผู้ออกจากฌานสี่แล้วได้บรรลุอรหัตตผลอีกสี่จึงรวมเป็นห้าประเภททั้งอุปัโตภาควิมุตและปัญญาวิมุตทั้งสองประเภทนี้ไม่ต้องทรงสอนให้ทาการด้วยความไม่ประมาทเพราะทาการด้วยความไม่ประมาทอยู่แล้วคือเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วไม่เป็นไปได้ที่จะประมาทอีก 3. กายะสะขัขีผู้ถูกต้องผัิสะแห่งฌานก่อนแล้วจึงทำให้แจ้งนิพพานในภายหลังได้แก่ผู้ถูกต้องวิโมกอันสงบระ ง, งับด้วยนามากายแต่สิ้นอาสวะเพียงบางส่วนข้อนี้ได้แก่ผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลจนถึงอรหัตตมรรครวมหกประเภทสี่ ทิฏฐิปัตต์ผู้บรรลุเพราะเห็นธรรมะด้วยปัญญาได้แก่ผู้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันสงบระงับด้วยนามกายสิ้นอาสวะเพียงบางส่วนเห็นธรรมะที่ตถาคตแสดงแล้วอย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาข้อนี้ได้แก่พระอริยบุคคลหกประเภทเช่นเดียวกับกายสักขีห้า ศรัทธาวิมุตติผู้ผลเพราะศรัทธาได้แก่ผู้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันสงบระงับด้วยนามากายสิ้นอาสวะเพียงบางส่วนมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตข้อนี้ได้แก่พระอริยะบุคคลหกประเภทเช่นเดียวกับกายสักขีหกธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรมะ ได้แก่ผู้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันสงบระงับด้วยนามกายเส้นอาสวะเพียงบางส่วนเพ่งพอประมาณซึ่งธรรมะที่ตถาคตแสดงแล้วด้วยปัญญา 7. สัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาได้แก่ผู้ไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันสงบระงับด้วยนามกายมีศรัทธามีความรักในตถาคต สำหรับธรรมานุสารีและสัทธานุสารีได้แก่พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโสดาปติมัคตั้งแต่กายสักขีถึงสัทธานุสารีรวมห้าประเภทเป็นพระอริยบุคคลที่ยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคอย่างทรงสอนให้ทําการด้วยความไม่ประมาทเพราะทรงเห็นผลของความไม่ประมาท หมายเหตุพระอริยบุคคลเจ็ประเภทนี้กำหนดด้วยคุณสมบัติพิเศษทางจิตใจที่ต่างกันเพียงเล็กๆน้อยๆมีอธิบายไว้พิสดาในคำอีวิสุทธิมรรคและอัธกถาทั่วไปในที่นี้จึงแสดงไว้พอรู้จักชื่อและคุณสมบัติตามสมควรครั้นแล้วตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสว่า จะตั้งอยู่ในอรหัตผลได้ในชั้นแรกทีเดียวแต่จะตั้งอยู่ในอรหัตผลได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับการกระทาโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับแล้วตรัสอธิบายว่าบุคคลมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหานั่งใกล้เงียโสดสดับธรรมแล้วทรงจำไว้พิจารณาเนื้อความธรรมะย่อมทนต่อการเพ่ง ครั้นแล้วก็เกิดชันทะอุตสาหะความช่างใจการตั้งความเพียรครั้นแล้วย่อมทำให้แจ้งบรมสัจจะด้วยนา ม, มกายย่อมแทงทะลุเห็นแจ้งบรมสัจจะนั้นด้วยปัญญาถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่มีข้ออื่นๆมีการเข้าไปหาเป็นต้นพระพุทธองค์ ทรงตรัสถึงภิกษุพวกพระอัศชิและพระปุณพภาสุกะที่ประพฤติไม่ดีเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติพลาดปฏิบัติผิดแล้วโมฆะบุรุษเหล่านี้หลีกห่างไปจากพระธรรมวินัยนี้ไม่รู้ว่าไกลสักเพียงไรตรัสต่อไปว่ามีคำเวยากณ์คือคำร้อยแก้วหรือคำชี้แจงอันมีบทสี่ คืออริยสัตว์สี่วินยูบุรุษพึงรู้ได้ไม่นานด้วยปัญญาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมะใดที่เรายกขึ้นแสดงแล้วเราจากแสดงธรรมนั้นแก่ท่านท่านทั้งหลายจะรู้ธรรมะนั้นได้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลถามว่าพวกตนกับผู้รู้ธรรมะเป็นอย่างไรกันตรัสตอบว่าศา ส, สดาใดหนักในอามิตร อยู่อย่างคลุกคลีด้วยอามิต h สัสดานั้นย่อมไม่มีราคาที่จะพึงประเมินหรือต่อรองสำหรับข้อนี้คือสํานวนการค้าหมายความว่าไม่มีใครถามราคาตั้งราคาหรือต่อรองราคาเพราะไม่มีราคาที่ควรสนใจแล้วตรัสถึงพระตถาคตว่าไม่ส่งคลุกคลีด้วยอามิต h ด้วยประการทั้งปวง สาวกผู้มีศรัทธาสอบสวนคือให้หาความจริงก่อนแล้วปฏิบัติตามหนึ่งย่อมรู้สึกว่าประผู้มีพระภาคเป็นศาสดาตนเป็นสาวก 2. ย่อมรู้สึกว่าศา ส, สนาของพระศาสดางอกงามมีโอชะคือหน้าเรื่อมใส 3. ย่อมรู้สึกภาคเพียน เพื่อบรรลุจุดที่มุ่งหมายโดยไม่หยุดความเพียร 4. ย่อมหวังผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันถ้ามีกิเลสยังเหลือก็จะใช้ได้เป็นพระอนาคามี